36. ิบวิบากรรมเป็นอาจินตายใครอวดรู้คนนั้นบ้าถ้านี่ชั่วก็เป็นทุกข์นี่ดีก็เป็นสุขเท่าที่ฤทธแรงแห่งการบวกลบขุณหารแล้วของกรรมที่ทำจริงจะมีมากหรือเหลือน้อยจะต่ำหรือสูง จะได้ดีแสนสุขขนาดไหนหรือตกทุกข์ได้ยากทรมานแสนสาหัสเท่าใดสัจธรรมเป็นผู้บวกลบคูณหารค่าหรือราคาของนี่กรรมนั้นด้วยสัจจะไม่มีใครสามารถเข้าไปทำให้บิดพริวได้ สมมุติสัจจะก็ละเอียดมากมายซับซ้อนเกินจะคำนวณค่าคิดราคากันแล้วยิ่งเป็นปรมัทิติสัจจะยิ่งค่าของบาปละเอียดและแพงเกินกว่าราคาบาปของสมมุติสัจจะอีกหลายเท่าและหมุนรอบเชิงซ้อนกว่ากันอีกนักกว่านัก วิบากรรมก็เป็นไปตามสัจจะอันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดเพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนนี่คืออจินไตยข้อวิบากรรมชนิดหนึ่งในสฟังดูเถิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม21ข้อ77ถึงปานชนีความเป็นวิบากนั้นโดยเฉพาะกรรมอดีตมันมีหน้าที่วิ่งไล่ตามแก้แค้นหนี้ชั่วหรือทดแทนคุณหนี้ดีในขณะที่ตามทันไม่ทันก็วิ่งไล่อยู่อย่างนั้นตลอดการไม่หยุดไม่สูญ ไม่มีอะไรทําลายความเป็นบาปในอดีตเพราะเกิดแล้วและกุศลได้กรรมอดีตเป็นอำนาจหลักของผลกรรมในโล ก, กีภูมิปูทุชนเลี่ยงผลอำนาจไม่ได้มีแต่ทางโล ก, กุตระเท่านั้นที่สามารถบรรเทาแรงบาปตามสัจจะของแต่ละคน หรือกั้นอำนาจวิบากนี้ได้สำเร็จ